แนะนำบทสบะบทสบะเป็นบทมักกิยามีห้าสิบสี่องค์การบทนี้เริ่มโดยการเทริดทูนถวายพระเกียรติแด่อรรถซึ่งพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทรงบังเกิดทั้งหลายมีความสมบูรณ์ทรงทำให้กิจการทั้งหลายของโลกนี้เป็นไปอย่างรัติคุมทรงจัดเตรียมจั ก, กรวาลด้วยความปรีชาญาณของพระองค์สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีจำนวนแม้เท่าปรมาณูหนึ่งปรากฏอยู่ในชั้นฟ้าและผ่นดิน จะไม่รอดพ้นไปจากความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยนี่คือหลักฐานนันยิ่งใหญ่ในความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลลโลกบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งคือการปฏิเสธศรัทธาของพวกบูชาเจวิตต่อพระโลกต่อการฟื้นคืนชีพหลังจากการตายไปแล้วพระองค์จึงบัญชาให้ถ้าเราสุลอสลล้อวัยวัสลัสาบานด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่า พระโลกนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากความพินาศของสรรพสิ่งทั้งหลายบทนี้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของมาดาหอฮซูลโดยกล่าวถึงดาีดาวุธและบุตรชายของท่านดารีสุไลมานที่เราทรงประทานความโปรดปรานนานาชนิดให้แก่ท่านทั้งสองเช่นการทำให้ยินเป็นประโยชน์แก่สุไลมานการทาให้ลกและภูเขากล่าวสวดีพร้อมกับนาีดาวุฒ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 เป็นที่ปรากฏว่าชาวเมืองซาบะเหล่านั้นอยู่ในสภาพเพื่รับความโปรดปรานร่มเย็ยนเป็นสุขแล้วอุดมสมบูรณ์ตลอดจนที่พักอาศัยของพวกเขาก็ห้อมล้อมไปด้วยเรื่องสวนไร่นาท่านเมื่อพวกเขานเนรคุณต่อความโปรดปรานและความดีทั้งหลายของอรรรคทรงประทานให้แก่พวกเขาพระองค์จึงลงโทษพวกเขาด้วยการให้น้ําท่วมเขื่อนมะริบเพื่อพวกเขายึดถือเป็นบทเรียน และนิทัตอุทาหอนอันมีค่าย่ด้วยพระนามของเราพผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญเป็นของ a l l a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 ลับดาผู้ปฏิเสธทหากล่าวว่าวันโลกอวสานนั้นจะไม่มาถึงพวกเราดอกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด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 นนสนบรรดาผู้เพียนพยายามขัดขวางองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงทวดอันเรวร้ายอย่างเจ็บปวดว่ายรัลลดีนอตูตลอลิลมัลลดีอุน ز ิละอีลัยแคมิรรบบิคหวัลฮักก และมนุษยผู้ได้รับความรู้นั้นตระหนักดีว่าสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากาผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแต่จะชี้นำไปสู่แนวทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริ แต่บรรดาผู <lais> ้ปฏ um, <ens> um, um, ิเสธศรัทธาได้กล่าวเยาะเย้ยว่าเราจะชี้แนะแต่พวกเจ้าเอาไหม ถึงชายคนหนึ่งที่เขาจะบอกเล่าแก่พวกเจ้าว่าเมื่อพวกเจ้าถูกทำลายให้แตกสลายกระจัด ก, กระจายเป็นผุยผงแล้วพวกเจ้าจะถูกบังเกิดขึ้นมาใหม่ เขาได้ปั้นความเค้ดให้แก่เอาล้อหรือว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหาไม่ได้บรรดาผู้ไม่ศรัทธา like ต่อพระโลกนั้นจะอยู่ในการลงโทษและการลงผิดอย่างไกลที่สุด อพวกเขาไม่ได้เห็นหรอกหรือถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาที่มีอยู่ในฟ้าฟ้าและแผ่นดินหากเราวประสงค์เราให้แผ่นดินสู่พวกเขาลงไปหรือเราให้ส่วนต่างๆจากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่ง อย่างแน่นอนแก่พวกบ่าวที่กลับตัวส่วนหรอก แ, แต่โดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานของเราแก่ดาวดโอ้ภูเขาเอ๋ยจงแท้ซองสะดุดีพร้อมกับเขาและนกด้วย และเราได้ทำให้เหล็กอ่อนตัวสำหรับพวกเขาเจ้าจงทำเสื้อเกราะและห่วงของมันให้ได้สัดสวนและพวกเจ้าจงทำความดีเถอดถ้าเึงข้านั้นเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ولسليمان نبي حقوها شهر ورواحها شهر وأسال ما له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومين يزق منهم عن أمرنا ن ِ ق ه من عباد السعيد แลวเราได้มีลมพัดแก่สุไลมานซึ่งมันจะพัดไปยามเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่มันจะพัดกลับในยามเย็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนและเราได้ให้ไหลามาให้แก่เขาซึ่งตาน้ำทังเหลืองในหมู่ยินนั้นมีผู้นำทางอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยอนุมัติแห่งพระผู้พิบาลของเขาและผู้ใดในหมู่พวกเขาหันเห อ, ออกจากพระบัญชาของเรา เราใช้เขาได้ริมรตการลงโทษที่มีไฟลุกชวดชวดุกพวกเขายินทำงานให้เขา สุเลยมานตามที่เขาต้องการเช่นการสร้างพระราสาทหลายแห่งที่สูงตรงานและบรรดาบุญจำลองและบรรดาภาชนะใส่อาหารที่มีขนาดเท่าบ่อน้ำและบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่พวกเจ้าจงทำงานเถิดตวงหวานของดาวุฒิเผยโดยการขอบคุณและส่วนน้อยแห่งควงมเบาของข้าที่จะขอบคุณ فَلَمَّا ق َ ض َ ي َْ ا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا د َ ل َّ ه ُ م عَلَى مَوْتِهِ إلَّا ِ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْخُلُ مِنْ س َ أ ت ِ ه ِ فَلَمَّا خَفَتْ بَيَنَّا الْجِنُّ أ َ ل َ و ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغِيبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ั้าเมื่อเราได้กําหนดความตายแก่เขาไม่ได้มีสิ่งใดบ่งชี้แก่พวกเขาถึงความตายของเขานอกจากปลวกใต้ดินแพะกินไม้เท้าของเขาดังนั้นเมื่อเขาลม้ลมลงพวกยินจะรู้อย่างชัดเจนว่าหากพวกเขารู้ในสิ่งที่พ้นอย่างวิสัยแล้วพวกเขาจะไม่ต้องมาคนทุกข์ทรมานที่หน้าอสูรชนิด จย ม, มร له, บบบบบุะตโดยแน่นอนสหรับพวกสบะนั้นมีสัญญาณหนึ่งในที่อาศัยของพวกเขามีสวนสองแห่งทางด้านขวาและทางด้านซ้าย พวกจ้าจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระผู้อภิบาลของผู้เจ้าจะจงขอบคุณต่อพระองค์ท่านเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัย แต่พวกเขาได้ผลลัพธ์ดังนั้นเราจึงปล่อยน้ำจากเขื่อนอาริให้ท่วมพวกเขาและเราได้เปลี่ยนสวนสองแห่งของพวกเขาให้แก่พวกเขาแทนสวนอีกสองแห่งมีผลไม้ผมและต้นไม้พุ่มและต้นพุษราบ้านเด็ดดี เช่นนั้นแหละเราได้ตอบแทนพวกเขาเนื่องจากพวกเขาในเราคุณแต่เราไม่ได้ลงโทษผู้ใดนอกจากพวกเขาในเราคุณและเราได้สร้างความสัมพันธ์ร ر หว فيها ا ل س ي า ิระห ว, ว่างพวกเขาและระหว่างหัวเมืองต่างๆซึ่งเราได้ความจำเริญในนั้นเราได้มีขึ้นซึ่งหัวเมืองที่เด่นชัดและเราได้กําหนดการเดินทางไว้ในนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปตามนั้นเถิดทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างปลอดภัย فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق م إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لابوك أوليك العواء โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทร ง, งทําให้การเดินทางของเรายืดยาวขึ้นและพวกเขาได้อาทาต่อตัวของพวกเขาเองท่านั้นเจ้าจึงได้ทําให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาและเราได้ทําให้พวกเขาแตกสลายกระจัดกระจายกันออกไป แท้จริงอันนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากมายอย่างแน่นอนแก่ทุกคนผู้อดทนผู้กตัญนญนูและโดยแน่นอนอิบลีสได้ทำให้การเลืกคิดของมันที่มีต่อพวกเขาเป็นจิตฉันั้นพวกเขาจึงได้ปฏิบัติตามมันเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนน้อยเท่านั้น وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَنْ إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. <تصفيق> ผุ้ใดทัทธาต่อวันพระโลกจากผู้ที่มีความสงสัยในเรื่องนั้นและถ้าผู้อธิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง มมมมาลลุุีิิิจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงยิงวอรต่อบรรดาผู้ที่พวกเจ้าจินตนาการว่าเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์พวกมันไม่ได้ครอบครองแม้แต่น้ำหนักเท่าทุลีในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพวกมันไม่ได้มีหุ้นส่วนในทั้งสองนั้นและสำหรับพระองค์นั้นไม่ได้มี <تصفيق> ولا تفعش فاعت عذده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. <تصفيق> จะไม่เกิดประโยชน์ทันใดหน้าที่พระองค์นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแาก่เขาจนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายออกจากจิตใจของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าพระผู้พิบาลของเจ้าได้ตรัสอะไรไว้พวกเขากล่าวว่าความจริงอย่างไรเล่าและพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่มินสนา จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าใครเป็นผู้ประธานปัจจัยอย่างชี่ให้แก่พวกเจ้าจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าอาลัลลอ์และแท้จริงไม่เราก็พูดทั้นแน่นอน ที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรืออยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้จงจนกระตือรือร้นมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่เราได้ทาผิดและเราจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่พวกเจ้ากระทา อับนนทรงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าพระผู้บานของเราจะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดในปราโลกและพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความจริงและพระองค์คือผู้ทรงตัดสินผู้ทรงรอบรู้ ุลจลลคคงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงสแสดงให้ฉันเห็นบรรดาที่พวกเจ้าได้นำไปตั้งเป็นภาทีร่วมกับพระองค์ไม่ดรอกพระองค์ค AH, ืออัลลอฮผู้ทรงเดชาลุภาพผู้ทรงปริชายา และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแก่มนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้ า, ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ ลูกขุนกล่าวว่าเมื่อได้เล่าสัญญานี้จะมาถึงหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสำหรับพวกเจ้ามีกำหนดวันวันหนึ่ง وقال الذي َ ك ق و ل ا ن ُ ؤ م ن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تراءى ا ل ظ ا ل م و ن م و ق و ف َ عد ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. ยกูนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี้และต่อสิ่งที่มาขอดอัลกุรอานแต่ากเจ้ามูฮัมหมัดได้เห็นเมื่อบรรดาผู้อาธรรมจะถูกให้หยุดยืนต่อหน้าพระผู้อธิบาลของพวกเขา บางคนจะกล่าวซักใครคำใจคนหนึ่งบรรดาผู้อ่อนแอกว่ากล่าวแก่บรรดาผู้หญิงยะโสบอกว่าหากไม่ใช่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเราคงได้เป็นผู้สภา แ, แล้วอ บรรดาผู้หญินยโัโสก็กล่าวแก่บรรดาผู้อ่อนแอว่าพวกเรานหรือที่ได้ขัดขวางพวกเจ้าจากแนวทางที่ถูกต้องหลังจากที่มันได้มายัางพวกเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นแต่พวกเจ้าเองต่างหากที่เป็นผู้กระทำ وقال الذين ا س ت ط ع م و ا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهاض إتأمرن و ن ا أن ن ث ف ر بالله ونجعل له أ د ا د ا و أ س ر ب ا ل ن د ى م ث لما ا رأوا العذاب าาบลลรราาาาาดาผู้อ่อนแอกล่าวแก่บรรดาผู้ยะโสว่าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกแต่มันเป็นแผนการทั้งกลางคืนและกลางวันเมื่อพวกเจ้าใช้ให้เราปฏิเสธศรัทธาต่อเรา และเราได้ตั้งพาคีคู่เพียงกับพระคและพวกเขาจะส่นความสำนึกผิดเมื่อพวกเขาได้เห็นการหลงโทษและเราได้เอาโซ่คล้องที่คอของบรรดาผู้ปฏิเสธศีาพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนอกจากที่พวกเขาได้กระทำไว้วมนน และเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดไปยังตำบนใดนอกจากบรรดาผู้ฟุ่มเฟือยในตำบนนั้นจะกล่าวว่าถ้าจริงเราเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาวบบ และพวกเขาได้กล่าวอีกว่าพวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลานมากกว่าและพวกเราจะไม่ถูกลงโทษอจ ง, งกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงแผ่ปัจจัยอย่างที่แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้แรงแขนแต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้วา า, วาามออรุัลลดดบบิก และไม่ใช่ทรัพยสินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าที่จะทำให้เจ้าคลาชิดสนิทกับเรา นอกจากผู้ศรัทธาและกระทำความดีทันั้นนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนเป็นสองเทาง่าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัย และบรรดาผู้มุ่งมั่นเพื่อทำลายล้างสัญญาณทั้งหลายของเราชนเหล่านี้จะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าเราในการหลุดพ้น。 จงกล่าวเถแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงแผ่ปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากความบาปของพระองค์และทรงให้แร้นแค้นแก่เขาและอันใดที่พวกเจ้าบริจาคไปพระองค์จะทรงทดแทนมันให้และพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ดีเลกร์ในหมู่ผู้บรรดาผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ และวันที่พรองค์จะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งมวลและวพรองค์จะทรงตรัสแก่มาลายก้าว่าพวกเขาเหล่านั้นหรือที่เคารพพักดีต่อเจ้า All Subhanak Antawliya ิ i n Dunhim พวกเขามาเลยต้ารกล่าวว่ามหาบรสุดแห่งพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงเป็นผู้คุ้มครองข้าพระองค์ไม่ใช่พวกเขาแต่พวกเขาเคารพพระดีดินพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ศรัทธาต่อพวกมัน ดังนั้นในวันนี้พวกเจ้าบางคนไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษซึ่งกันและกันแตเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้กระทำผิดเหล่านั้นว่า พวกเจ้าจงลิมรสการลงทุกของไฟนรกที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันเถิดอออรยยยุุุดดดสสบ َقَالُوا َقَالَ كَفَرُوا هَذَا الَّذِينَ และเมื่อบันดาองการอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาคือมุชวิมีแล้ว พวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายคนหนึ่งที่ต้องการจะยับยั้งพวกเจ้าจากการที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าได้เคารพพักดีมาก่อนและพวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเรื่องทที่ถูกอุปโลกน์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวในเรื่องศัจธรรมเมื่อมันได้มายังพวกเขาว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากลอย่างชัดแจ้ง และเราไม่ได้ประทานบรรดาคัมภีร์ให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาศึกษาค้นคว้ากันและเราไม่ได้ส่งบรรดา ศ, าศาสนาทูตไปยังพวกเขาก่อนหน้าเจ้าในฐานะเป็นผู้แจ้งข่าวาย ا آ และบรรดาผู้ที่มาป้อนหน้าพวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัจธรรมมาแล้วและพวกเขาชาวคูเรชมากะ์ไม่ได้มีถึงหนึ่งในสิบ ข, ของที่เราได้ให้ความมั่งคั่งแก่พวกเขา ทระนั้นก็ดีพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูตของข้าดังนั้นการปฏิเสธจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขาอออบบ าางจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าเพียงข้อเดียวว่าพวกเจ้าจงยืนขึ้นเพื่ออล็อกครั้งละสองคนและคนเดียวและจงไตรตรองดูก็จะพบว่าสหายของพวกเจ้านั้นม่ได้เป็นบ้า แต่ก็เป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกเจ้าถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างสาหัสเท่านั้นอจ ง, งกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าไม่มีรางวัลอันใดที่ฉันจะขอจากพวกเจ้าเพราะมันเป็นของพวกเจ้า แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอ์และพระองค์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งช่วงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงได้ความจริงทำลายความเท็จเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเรนรับทั้งหลาย จงกล่าเถิดมัวหมัดว่าเมื่อความจริงเรียบราบอดความเท็จก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่กลับมาอีก。 จงกล่าวเถิดู้ h a ม m a ว่าหากฉันหลงผิดฉันก็จะหลงผิดเฉพาะตัวของฉันแต่ถ้าฉันอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั่นก็คือพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงให้องค์การแก่ฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน และหากเจ้าได้เห็นขนาดที่พวกเขาตื่นจะระหนกแล้วไม่มีทางหนีรอดและพวกเขาจะถูกจับเอาไปจากสถานที่อันกล้ และพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้ศรัทธาต่อความจริงแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาเรียกร้องจากสถานที่อันไกลเช่นนั้นและแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงมา ก, ก่อนแล้วและพวกเขาคว้างทิ้งปฏิเสธสิ่งลึกลับจากสถานที่อันไกลเช่นนั้น وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ مِنْ ق َ ب ْ ل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. و ر ะหว่างพวกเขาْับสิ่งที ع َ ا กเขาต้องการมีสิ่งขั ดังเช่นที่ได้ถูกปฏิบัติมาก่อนแล้วถ้าพลภาพของพวกเขาถ้าจริงพวกเขานั้นอยู่ในความสงสัย